8. สหธรรมิกวักเจสันจิตจะสิกขาบทว่าด้วยการจงใจก่อความรำคาญเรื่องพระชัพะคี4ี4สมัยนั้นพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตะวันอารามของอนาถาบินธิกาเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพวกพิสุทธิ์ัพคีจงใจก่อความรำคาญให้แก่พวกพิสุทธิ์สัตตะรสาวคีด้วยกล่าวว่าท่านทั้งหลาย พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไว้ว่าทรงไม่พึงอุปสมบทให้บุคคลอายุย่อนกว่า20ปีพวกท่านอายุย่อนกว่า20ปีอุปสมบทแล้วพวกท่านคงจะยังเป็นอนุปสมบันของพวกเรากระมังพวกภิกสุสัตตะรสาวคีเหล่านั้นพากลร้องให้ภิกษุทั้งหลายถามอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายพวกท่านร้องให้ทําไมพวกพิสุสัตตะรสาวคีตอบว่า ท่านทั้งหลายพวกพิสุจชาวบัปปคคีเหล่านี้จงใจก่อความรำคาญให้แก่พวกกระผมครับบรรดาภิสษุผู้มักน้อยพากันตําำหนีประนามทนทนาว่าฉนัยพิกษุนชาวบัปปคคีจึงจงใจก่อความรำคาญให้แก่พิสษุทั้งหลายเล่าคันพิสษุทั้งหลายตำหนิพวกพิสูจชาวบัปปคคีโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ